ฟังธรรมกันเนาะเราก็ได้จินพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแต่เราสาทยายคาสอนของพระพุทธเจ้าชัดเจนเหลือเกินไม่จนเลยไม่จนต่อความชั่วที่จะเล่าความชั่ว ไม่จนต่อการทำดีที่จะทำความดีมีอยู่ที่ตัวเรานี่ลอมผิดมันก็บอกวามถูกมันก็บอกผู้ที่จะผู้ที่มีการกระทำก็รู้เองผู้มีการกระทำก็ต้องปฏิบัติตัวเองสามารถทาคามดีได้ รับความชั่วได้มีเครื่องมือมีกายมีวาจามีจิตใจวิธีเราก็ทำความดีปฏิบัติก็เอาเรื่องกายเรื่องวาจาเรื่องใจนี้มาทำเวลาเราจะรับความชั่วเอาเรื่องกายเรื่องใจนี้มาละ วิธีปฏิบัติตามเพาไม่ต้องใช้หวัวคิดเหตุผลอันใดพ้อมทันทีที่เดียวกันนั้นเหมือนุณแจเปิดปิดในดอกเดียวเปิดก็ได้ปิดก็ได้เหมือนวิท์ตลอดทัศ์ที่เราเปิดเราดูหลายการไหนไม่ดีปิดได้ ปิดได้ไม่ต้องดูลอยการไหนที่ดีๆเราก็เปิดได้ดูไปก็ด้เห็นสิ่งที่ดีไม่ดีแต่อพอผู้ที่ดูนด้นก็ได้บทเรียนว่าถ้าความดีก็ทำาำถ้าความไม่ดีก็ละเสียนี่คือหลัก การทำความดีลบความชั่วยิ่งเราทำความดีที่เป็นให้เกิดมากเกิดผลดีก็ยิ่งสะดวกพระพุทธเจ้าก็ประกาศจยูบอกอยู่แล้วมีชติเป็ น, นกาย อยู่เป็นประจําจิติก็มีเป็นความรู้สึกตัวรู้สึกระลึกได้ขณะที่ทํขาขณะที่พูดขณะที่คิดก่อนจะพูดจะทํกว่าคิดก็ลึกได้อยู่อย่างนี้เราที่เกิดขึ้น เราก็มีเจนชี้วัดแล้วมีสติพ้อมอยู่แล้วก็รู้ได้สิ่งที่ไม่ใช่ความรู้จักตัวก็เปลี่ยนได้ง่ายๆตรงกันข้ามเหมือนขึ้นแจเปิดเปลี่ยนั่นหละตรงกันข้ามไม่เขาวเดียวกันนั้น ถ้าหากเรามีสติตั้งร้อยมีความเพียงมีศรัทธามีสติเหลาหย่างถ้ามีสติมีครบเลาะความชั่วแล้วความความดีแล้วหยุดบริสุทธิ์แล้วแม้มีความไม่ดีเกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้นแล้วนคราวเดียวกันนั้น ในความดีก็เกิดขึ้นแล้วในคราวเดียวกัน น, นั่นไม่ใช่อยู่คนละที่อย่างที่เราสาธยายพระโสดในสัมมาวายามะเมื่อกี้นี้มีศัตธามีความเพีย่ยนมีสติตีมีปัญญาอยู่ในคราวเดียวกัน น, นั่น ตั้งใจอยู่มีจรัทาเชื่อเชื่อแล้วทำแล้วมันมีเนื้อนาแล้วมีความเพียรกบฝนตกกบล้ำก็เต็มทุ่งแล้วร้อมแล้วมีจติเตรียมพื้นที่แล้วปลูกลงไปแล้วดูเดือนแล้วได้ปลูกจริงกริงได้ปลูกข้าวลงไปในเนื้อนาจริงกริง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 ไม่ต้องไปหาเหตุผลก็จะได้ว่าจะขาดทุนว่าจะได้กำไรไม่ต้องไปยึดว่าจะดูดีๆการขาดทุนก็ได้กําไรไม่ใช่อยู่เรื่องที่ปล่อยเหตุไปอยู่ที่ต้นเหตุคือเราไม่ได้ดูแลการปฏิบัติธรรมการทาความดีก็เหมือนกันตั้งไว้ยมีจิตตั้งว้ที่กายนั่น อะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เฉกสิก่ง ท, ที่เกิดขึ้นเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างผิดบ้างถูกบ้างก็รู้เึกเรียก ว, ว่าเวทนาหรือว่าทุกขเวทนาสุขเวทนาอย่าให้มันถึงกับเป็นสุขเป็นทุกข์ให้มันเป็นความรู้สาเปลี่ยนอย่างนี้แล้วว่าปฏิบัติอะไรเกิดขึ้นมาที่ไม่ใช่ เฉพาะเรื่องกายมันเกิดขึ้นมีอีกหลายอย่างก็อย่าพัดไปตั้งไว้เป็นเสาหลักเสาหลักทำไรต้องมีหลักอย่างนี้ถ้ามีหลักมันก็มีที่ตั้งสามารถอยู่ได้ตั้งไว้ตั้งไห้กลับมาตั้งไหวากาับมาตั้งไห้ มานก็มีความชํำนานเมื่อมีความชํานานก็นเป็นใหญ่มีอำนาจมีอำนาจได้บทเดียนทนได้ความคงทนมันจะงามเพราะสิ่งที่ไม่ถูกต้องความถูกต้องจะงามในสิ่งที่ไม่ถูกต้องยอเยกว่ากส โดยเปลี่ยนความไม่ถูกต้องรับเป็นความถูกต้องเราเห็นกะระแสผู้ปฏิบัติทำเห็นกระเสพระนิพพานจเจริญสติปัฏฐานเห็นกะระแสพระนิพพาน <c oughs> อย่างนี้พระพุทเจา้าตรัสว่าอย่างนี้เห็นจริงจริงเห็นความหลงก็เห็นความไม่หลงไปทางความไม่หลงได้เห็นทางแล้ว เห็นความทุกข์กเห็นความไม่ทุกได้เห็นทางแล้วไปทำความไม่ทุกได้แล้วง่ายๆมาจากงามอยู่ในสิงที่ผิดในความถูกนอนในความถูกจะงงามอยู่ความผิดในความไม่ทุกข์จะงงามอยู่ในความทุกข์เหมือนพื้นเพบนนดีที่ดดินดีต้องมียอปก ต้อย่อขึ้นลบ ก, ก็หรือว่าดินดีเหมือนทอลาไปดูนาหาชื่อนาไปหาชื่อที่นาานาแปลงไหนต้นย่อขึ้นมากๆย่างามงามไม่เลยดูแรงเหินต้นละหัดเฉียวเขียวเหนต้นย่าเขียวเียว นั่นเรียกว่านาดีปลูกข้าวงามดินดีแต่ที่ใดนาไม่มียา่านาตรงนั่นก็ไม่ดีเป็นดินเอียดเป็นดินด้านไปแล้วไม่มีย่าขึ้นทุกวันนี้เขาจะฆ่าย่ากันกมกโูน ให้เผ่นดินนี้ไม่มียญ้าถ้าเผ็นดินนี้ไม่มียญ้ยาสัตว์ก็อยู่ไม่ได้มกคว น, นี้ปันจะเกิดขึ้นเพราะมีตรงกันข้ามกันไดผู้ปฏิบัติธรรมก็ฉะนนั้น บางคนก็พูดออกมาว่าปฏิบัติไม่ได้ขิเลสตัณมากันนั่นไม่ถูกต้องไม่ใช่ไม่ใช่คําพูดออกมาจากความถูกต้องเแต่ก็พูดบ้าจากค้านผิดเป็นคนล้มเหลวแล้วทําทยากทําง่ายถามเรื่องยากเรื่องง่ายเป็นคนล้มเหลวแล้วแล้วคนมีเป็นนักธรรมต้องทำํำจริง ส่วนงานก็ทำมันจึงสำเร็จมีงานให้ทำปฏิบัติธรรมมีงานให้ทำหรือว่ามีสติตั้งไว้ในกายถ้ามันหลงก่งานเกิดขึ้นแล้วดะเปลี่ยนความหลงไป็ความรู้นี่คือลาะความชั่วเลาะอกุศลอกุศลไม่เกิดแม้เหมือนเกิดขึ้ น, นก็โบดไป กุศลเกิดขึ้นกุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็จเจริญมากขึ้นตั้งอยู่ไม่ เ, ล, เลือนเดือนงอกงามไยบุญเต็มโลกอย่างนี้เป็นธรรมชาติที่มันมีกรรมระที่ว่กกรรมฐานนี่เป็นชิงศักดิ์สิทธิ์ลิขิตสิงที่ให้เกิดความดี จนถึงมรดถึงขนได้าะให้การตกบุกพ่องตรงนี้มีประโยชน์ต้องไม่ทำตรงนี้ให้เกิดกเข้าเชื่อมประโยชน์เป็นคนลาบกในดางอุสนทำประโยชน์ของตงนให้เสื่อมด้วยต้องประโยชน์ของคนอื่นให้เสื่อมด้วย ยิ่งพวกเราเป็นนักบวดอยู่วัดวาอารามได้ฉันได้นุ่งห่มชีวอนได้ฉันอาหารได้อยู่เสฉยนาสนะชี้นาะเปรัของคนทั้งหลายเราได้ที่ให้เราพ่อสูญเปล่าประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถ้าเราทำความดีเป็นพูด เปลี่ยนความร้าเป็นความดีปฏิบัติธรรมมันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันนี้สง่ญ่กุศลใหญ่นี่จึงเป็นงานที่ชอบที่สุดเราเราที่ได้ละความชั่วตอมหน้าต่อตาต่ อ, ตอทำกับมือมันพอใจอยากเห็นความไม่ดีที่เกิดขึ้นกับกวากับจยที่เกิดขึ้นภายนอก ทายนอกใจจะได้แก้ขากรามกับหลังของเราต่อแก้คนเดียวไม่ได้ก็ชวนคนอื่นไปช่วยให้ทําความดีให้ความดีเกิดขึ้นจากชีวิตของเราแม่ไม่มากก็ให้น้อยยิ่งพวกเราเป็นสัตว์สังคมครอบครัวผัวเมียพ่อแม่ลูกหลาน เพื่อนบ้านข็ยิ่งมีโอกาสที่ทําความดีมีประโยชน์จริงๆหุ่นน้อมบอกขอสารลาเอาต่างเป็นประโยชน์ให้เป็นส่วนรวมชีวิตของเราเป็นส่วนรวมถ้าเราทําความดีก็เป็นส่วนรวมถ้าเราทําความชั่วก็เป็นส่วนรวม ถ้าทำความชั่วเราก็เดือดร้อนคนหนึ่งก็เดือดร้อนเราทำความดีเราก็ไม่เดือดร้อนคนหนึ่งก็ไม่เดือดร้อนนี่จึงเป็นความจำเป็นตลัดปฏิบัติธรรมเลยก่อนเริ่มต้นคือมีสติต้องไว้ในกาย การรับความชั่วก็ทำอย่างนี้การทำกบดีก็ตั้งต้นที่นี่มีกายมีวาจาไม่ใจจะผิดจะถูกก็ถูกตรงนี้ผิดตรงนี้เป็นชุดเป็นหลักชุดเป็นชุดสมเร็จแล้วที่มนุษย์คนหนึ่งที่เป็นสามัญชน ได้ค้นพบสอง0ปีมาแล้วเป็นของจริงเราก็สามาัรถพิจุดได้ทุกวันนี้จะประทานยังเกินมันก็ไม่จบไม่สิ้นที่จะให้เกิดความดีเป็นสังคม แน่แล้วมีของทัพมีอาวุธมีตำม น, นูนมีกดหม้ายมีทุกเป็นตารางก็ยังเอาไว้อยู่ถ้ามาตั้งที่ตรงนี้ถ้ามาตั้งที่ตรงนี้ทุกคนก็ทำอันเดียวกันมาอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันอยู่ในพิพิธเดียวกันทำมาบีไห น, นี่เหมือนชันได้ ดอกไม้ดอกไม้ต่างต้นต่างสีต่างกลิน่นต่างลักษณะพวกเราทุกคนก็ลูกต่างพ่อต่างแม่ต่างนิจใจคอนาาจิตต่างเมื่อออกชิญได้ร้อยเหมงก็ดอกไม้ให้เข้าเชินได้สะแล้วก็เป็นพวงมาลัยดูสวยงามเป็นระเบียบ เพราะหมันต่างกันมนาะอยู่ในระเบียบโอ้ยิงผู้ชายคนหนุ่มคนแก่เพศละที่ใดนี่กายใดเป็นระเบียบเดียวกานหรือเหมือนอิอดหินดินปูนอยู่กับทุนละที่เอามาผสมกันน้ำปูนลงไปเทใส่พิมพ์จะเป็นพิมพ์แบบไหนก็เป็นเทใส่ต้นเสา เ, เหลี่ยมเดียวก็เป็นกลมก็เป็นกลมๆคอเป็นคอยติดเข้มแสงแสงแรงใช้งานได้สร้างบ้านสร้างตึก20่สบสาสิบชั้นได้ก็อันเดียวกันหรือเหมือน2ร้ก้านข้าวอันเล็ ก, กแต่ก้านเดียวมันกวดขยะไม่ได้มันรวมกันสร้างให้เป็นไม่กวดกวดอะไรก็ได้ ยึของเราก็เช่นกานต้องเรียกร้องให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมามีกรรมวิธีมีแบบและเป็นศาสนาก็ศาสนาบุคคลมีคนมีศาสนาวัตถกุก็มีวัตถุทิงของที่จะต้องใช้ให้มันสะดวกในการสร้างความดี ศาสนาพิธีก็มีพธิธีวิธีธรรมศาสนธรรมก็มีเกิดขึ้นได้อันเดียวกันศาสนบุคคลเป็นคนละอย่างเป็นคนละคนศาสนวัตถุก็เป็นคนละแบบศาสนาพิธีอาจจะเป็นคนละแบบแต่ศาสนาศาสนธรรมอันเดียวกันเพื่ออันเดียวกัน คือมีสติอันเดียวกันทำแบบใดก็มีสติหลักการปฏิบัติทำในประเทศไทยนี้มีอยู่ 4-5 หอย่าง6อย่างหรือมากมายก็ตามในลูกก็เพื่อมีสติในกายหรือจะเกิดความดีจริงจะรับความชั่วได้เราเช่นแล้ที่นี้การ ด, ดสติเท่านั้น มีในกายก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดขณะที่พูดที่ทำที่คิดก็ไม่สติจะไปสู่ อ, อันเดียวกันมีสติทุกคนก็เป็นค น, นเดียวกันถ้ามีความหลงก็ไปนคนละคนกันไปอาศัยไม่ได้แม้แต่ตัวเรานี้ถ้าหลงก็อาศัยไม่ได้แล้ว ถ้าหลงก็มีโกรธมีฉุกมีทุกข์มีลักมีชงังมีอะไรต่างๆเยอะแยะถ้ามีรู้สิกตัวก็เป็นอันเดียวกันแล้วรับของชั่วทำความดีเหมือนกันหมดนี่คำสอนที่เป็นจัดจัตธรรมเป็นอันเดียวกันจัดจัตธรรมอย่างนี้ไม่มีคำถามจัดจัตธรรมอย่างนี้ไม่แต่คำตอบ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 เพาะไม่ถูกต umm ้องต่อคนที่ไม่รู้ก็ยืดเอาเป็นตัวเป็นตนทำตามความทุกข์ทำตามความโกรธผลทุกข์ผลโทษจือตัวเองและคนอื่นผู้ไม่รู้พอใจในความโกรธถ้าได้โกรธตายไม่ลืมทำตามความโกรธเสียผู้เสียคนคนที่ถูกทํำคน เตลนหมือ น, นัรนต้งสือเพียงเปิขับรุกหลบจ้างสอนล้อถูกปนกไน็ไม่มีเงินไม่มีเงินก็มายอมว่าถึงกับมีดแทงเข้าไป แทงก็ไปก็บอกกัวจะตายจริงๆ ก, ก็เลยบอกกันอยู่ใต้บบอ ก, ก็ไปเอาเงินใ้บอได้3ามยบาทยกมือขอโทษจากค่าคนร้ า, าก็ได้เงินแล้วกันนแทงอีกซ้ำจนตายคามืออย่างนี้ก็ทําให้คนหาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเดือดร้อน ต้องหมายตายไปเพราะคนไม่ดีมันก็เป็นทุกข์เป็นโทษต่อคนดีนีไม่พ้นเราจึงห้ามไม่ห้ามไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้จึงมาชวนกันให้สนใจเรื่องกายเรื่องใจนี้มีสติก่อนพูดก่อนทำก่อนคิด มันจะละความชั่วจะทำความดีในคราวเดียกันนั่นหละให้เห็นกระแสยอย่างนี้มันจะไม่จนตกความชั่วจะได้อยู่ด้วยกันด้วยความสงบร่มเย็นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมประโยชน์พบหองจนต้าเป็นคราววาดผู้ครองเรือนก็ดีถ้าเป็น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 ปัญหายาโยมผู้มีกำลังก็ช่วยเหลือผู้ใดไม่มีกำลังก็ไม่เป็นลายที่ไม่ต้องเช่าเขาไม่ต้องซื้อก็ได้อย่าป้าเป็นหนี้เป็นศีนมาใช้ได้เลยบางคนข้างกระติกสาลาไว้พอสร้างเสร็จเขาก็บอกก็คุณเจมอบให้ กติหลังนี้หนูสร้างไว้ให้คนมาอยู่ปฏิบัติธรรมถ้าคนมาปฏิบัติธรรมบุญออกหลอกถ้าคนไม่มาบุญก็ไม่ออกหลอกเขาว่าอย่างนี้ผู้ที่สร้างกติกาถ้าเรามาพักกติกาให้เขาเขาใดบุญเขาออกหลอกเหมือนเงินฝากธนาคารออกหลอก พวกมึงมาใช่ได้ประโยชน์แต่รัศดกต่อการทำความดีวันนี้ก็จำเป็นต้องมีที่หัวอ ย, อาายไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนธรรมชาติเป็นเพื่อนของมนุษย์ไม่มีโทษมีภัร ในวันนี้มนุษย์ทำลายธรรมชาติธรรมชาติลงโทษมนุษย์สัตว์โลกซือไม่ที่อยู่อ า, ายแต่ก่อนจินน้ำร้อยวัวร้อยควายได้ที่ที่ไหนก็จินได้อาบได้ในวันนี้ไม่ได้อากาศต้องมีสถานที่วานที่ก็ต้องซื้ออากาศไปด้วย น่นจริงก็สูญเสียธรรมชาติเพราะคนทําลายถาเรามาศึกษาธรรมะจะเป็นการครบบงจรของโลกก็ว่าได้ยิ่งเหล่านี้มีจิตวิญญาณซึ่งเป็นใหญ่สุขสนดื้อด้านจิตวิญญาณมีจริงๆ เรียวาิญญาณาธาตุนี่รู้อะไรได้ใช่ไม่ถูกก็เสียได้ใช่ถูกก็มีประโยชน์เรียกว่ากิจวิญญาณติดเล่าติดบุรีติดชวงชั่วก็ได้ทำก็ดีไม่ได้เลยวิญญาณใช่ไม่ถูกต้องติดไปอันที่สองก็คือเศรษฐกิจอาชีพ ต้องมีงานไม่ทำไมีงานการทำเป็นสำมาอาชีพให้ถูกต้องปรมิชาอาชีพก็ไม่ถูกต้องก็มีธรรมะจะเป็นจิตวิญญาณที่ดีสำ ม, มงอาชีพที่ดีหรือจากกรารสนงานซับรักษารับเสัจ่ายซับ เรียกว่าอาชีพอันที่สองสามก็เรียกว่าสุขภาพแล้วก็มีการมีสุขภาพถ้าไม่เป็นก็เกิดโรคก็จิตวิญญาณไม่ดีอาชีพไม่ดีก็เป็นทุกข์เป็นโทษต่อสุขภาพ ดานอนหาเรื่องบันทึกจินยาได้ดีนั้นที่ได้ภาพผลกระทบประเทืนต่อสุขภาพขันที่4ก็ระเบียบวิ น, นัยระเบียบวิ น, นัยสำคัญนั้นต้นส่วนรวมหรือว่าจำเป็น4อย่างนี้หนึ่งระคิดวิน ญ, ญาณส อาชีสสองสุขภาพ 4. และเบียบวินัยเนี่ย น, นเป็นของส่วนรวมจำเป็นต้องมีโดยเฉพาะปฏิบัติธรรมหนึงครบวงจรทั้งหมดผิดศินตั้งแต่คิดเนี่ยมันจะไปทำชั่วได้อย่า ง, งางและเบียบวินัยก็ดี เศรษฐกิจก็ดีหรืออาชีพก็ดีจิตวิญญาณก็ดีสุขภาพก็ดีแต่นี้ก็มีมือ2ความผิดพลาดเกิดจากมือสองเรื่องจุบบุหรี่มือสองเราไม่ได้จูบคนอื่นเขาจูบแต่เราก็เป็นการจูบบุหรี่มือสองปีทุกปิโทษเหมือนกัน แล้เกิดไว้นหนมือสองเราไม่ได้ทำผิดชร เ, เดินทางขับรถขับเรือเราก็ตัง้งใจแต่คนอื่นเบาสมาชนเราหัาหักไหลหักไปดูโยมที่เป็นครูอถากวันนี้อยู่ผู้เขียวรถชนในช่วงสงกรานหัหัก หลหลักมาชนคนนั่นเมามาชนน่มือสองสุขภาพมือสองนี่ไฟเหมือนกันในโลกดีกรทางไหนไม่ค่อยปลอดภยัยจะทำย่างไงกันจึงชวนมาปฏิบัติธรรมเน่เนี่แน่นอนที่จุดตรงนี้แน่นอนเราขอเป็นบักกันเินหยัดต่อขอสอนพระที่เจ้า พ่อถูกต้องจริงๆที่ผิดที่ถูกโดยจริงๆเชื่อมั่นร้อยเปอร์เนต์เปอร์เซนต์ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะเอไหมไม่ดีฮะแลวควรเกเวลาขอพ่อพ่ อ, อกัน